สิกขาบทที่สองเรื่องพระชัพพัคี587สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นพวกพิสูจนชัพพัคีนั่งหัวเราะดังในละแวกบ้านพระบัญญัติสองพึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่นั่งหัวเราะดังในละแวกบ้านเรื่องพระชพคีจบสิกขาบทวิพัง